สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบ่บานครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตเพซูตอนที่สามร้อยหกสิบห้าเรื่องฮานุกะพระเจ้าของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมยอนบทที่สิบข้อที่ยี่สิบสามพระธรรมยอนบทที่สิบข้อที่ยี่สิบสามแล้วก็ถึงเทศกาลฉลองพระวิหารที่กรุงเยรูเซาเลม็มขณะนั้นเป็นช่วงฤดูหนาว และพระเยซูทรงดำเนินอยู่ที่เฉลียงของชุลมอนในลานพระวิหารพวกยิวมาห้อมรอมพระองค์ถูนว่าท่านจะให้เราคล่องใจอยู่นานสักเท่าใดถ้าท่านเป็นพระคริสต์ก็บอกเรามาตรงๆเถิดนะครับผมอ่านตั้งข้อ22จนถึงข้อที่24นะครับพี่น้องครับในข้อที่23นะครับเราพบว่าพระเยซูเสด็จเข้าไปร่วม งานฉลองถวายพระวิหารในกรุงเยอเสลนงานฉลองถวายพระวิหารนะครับเป็นางานเทศกาลในฤ ด, ดูหนาวจัดขึ้นประมาณเดือนธันวาคมของทุกปีบางครั้งก็เรียกว่าเป็นเทศกาลฉลองแสงสว่างหรือเทศกาลแห่งแสงคนยิวนั้นเรียกว่าฮานุกกะฮานุกกะนะครับถ้าพูดเป็นภาษายิวนะครับ ก็จะเป็นคําว่าฮานะครับก็จะเริ่มต้นด้วยซีอก็เป็นค่านะครับเป็นตัวลงหนักครับค่านะครับค่านะค่านุกกาค่านุกกานะครับซึ่งแปลว่า the festival o f ลออฟ t ลท์เฟสติวัลออฟไก็คือเทศกาลแห่งแสงไฟในภาษาฮีบรูจริงๆเนี่ยนะครับก็เรียกว่าชักฮาอูริมชักฮาอูริมพี่น้องครับ เทศกาลแห่งแสงไฟของคนยิวนั้นมักจะจัดขึ้นในช่วงกลางฤดูหนาวนะครับยาวนานถึง8วันติดต่อกันครับคนยิวที่อาศัยนอกประเทศอิสราเอลนะครับก็จะฉลอง8วันเหมือนกันนะครับเขาก็ฉลองที่บ้านแล้วก็จะต้องจุดนะครับจุดตะเกียงที่ว่ามนโนรามนโนรานั้นมีตะเกียงอยู่ทั้งหมด8ดวงนะครับแล้วก็ จะมีอีกดวงหนึ่งตรงกลางนะครับเป็นดวงยาวหน่อยใหญ่หน่อยนะครับก็เรียกว่าทั้งหมดมีเก้าดวงด้วยกันการจุดตะเกียงมโนราห์นี้เขาก็จุดนะครับวันละดวงวันละดว ง, ว ล, ะดวงวละดวงนะครับไปจนหมดครับพี่น้องครับคนไทยเราไม่ค่อยคุ้นเคยใช่ไหมครับเราคุ้นเคยกับคริสต์มาสมากกว่าแต่พี่น้องครับจริงๆแล้วเทศกาลธนุการก็จะใกล้กับวันคริสต์มาส ข, ของทุกปี นะครับบางทีก็บางปีก็ตรงกันบางปีก็คาบเกี่ยวกันนะครับมันขึ้นอยู่กับปฏิทินของอคนยิวตามจันทรคตินะครับพี่น้องครับเทศกาลนี้เป็นเทศกาลที่น่าชื่นชมยินดีนะครับในขณะเดียวกันครับก็น่าขมขื่นใจด้วยเพราะว่ามีรากฐานมาจากความทุกข์ยากลาบากครับของการลุกขึ้นต่อสู้กับจักรวรรดิกรีนนะครับการลุกขึ้นต่อสู้กับจักรวรรดิกรีนของชาวยิวกลุ่มหนึ่ง เพื่อให้ได้มาซึ่งอิสรเสรีภาพในการนับถือศาสนาชาวยิวกลุ่มนี้มีชื่อว่าพวกแมคคาบีนะครับแมคคาบีแมคคาบีนั้นเป็นชื่อของตระ ก, กูลหนึ่งนะครับของคนยิวแมคคาบีนั้นก็ทำให้เกิดการเรียกว่าปฏิวัติปฏิรูปนะครับแม้ว่าในที่สุดนั้นเขาจะต้องอพ่ายแพ้ไปในที่สุดยังไงก็ตามครับแต่พี่น้องครับ วันนี้ผมขอนําความหมายของเทศกาลฮานุกาะนะครับซึ่งเป็นตัวแทนเทศกาลส่งความสุขสิ้นปีและเป็นเทศกาลแห่งแสงไฟนะครับในภาษาฮีบรูคําว่าฮานุกกามีความหมายสามความหมายครับก็คือการอุทิศตนการศึกษาเรียนรู้และการเริ่มต้นนะครับมีสามความหมายนี้คําว่าฮานุกกานะครับเป็นการเฉลิมฉลองพระวิหาร นะครับเพื่อลาลึกถึงการต่อสู้ของตระกูลแมะคบีที่มีเหนือกองทัพของกษัตริย์แอนทิโอคัสนะครับกษัตริย์แอนทิโอคัสแอนทิโที C ่สกษัตริย์แอนทิโอคัสนั้นก็นำกองทัพมาโจมตีโูเอลครับประมาณปี165ก่อนคริสตศัก ร, ราช เทศ ก, กาลแห่งแสงไฟหรือฮานุกกาณ์นั้น ถ, ถูกเล่าสืบต่อกันมาว่ามันมีสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นก็คือว่าแม้ว่าจะมีปริมาณน้ำมันมะ ก, กอกเหลืออยู่ในขวดเล็กๆ เ, เพียงน้อยนิดนะครับจุดได้เพียงวันเดียวในความมิหารนะครับเขาจุดบนเชิงเทียนมโนราเนี่ยนะครับความจริงแล้วน้ำมันเนี่ยมีปริมาณเหลือแค่จุดได้วันเดียวแต่สิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นก็คือว่าน้ำมันนั้น สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับมโนราตได้ถึงแปดวันนี่คือที่มาที่ว่าจะต้องเฉลิมฉลองแปดวันครับเพื่อแสดงความศรัท ธ, ธาต่อพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ของคนยิวและลำลึกถึงเหตุการณ์ที่คนยิวได้กรอบกู้และทำการบรวรณหน้าปฏิสังของ ม, ม, มหาวิหารนะครับในกรุงเยรูซาเล็มที่ถูกพวกซีเรียทำลายไปอย่างย่อยยับเทศกาลวันฮานุก้านี้เฉลิมฉลอง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ก็คือกลุ่มแมคคาีนี่เองนะครับกลุ่มแมคคาีเนี่ยแม้ว่ า, เ, าเขาจะพ่ายแพ้ในที่สุดนะครับแต่ว่าการช่วย ล, ลของเขานั้นดุเดือดมากนะครับและในวันฐานุกา น, น, นั้นก็จะเป็นวันหยุดเฉลิมฉลองนะครับเน้นถึงเหตุการณ์ที่ชาวยูมีชัยชนะที่น้องครับถ้าเรากลับมาดูประวัติศาสตร์เบื้องหลัง รประมาณ400ปีซึ่งเป็นยุคเงียบของพระกัมภีร์เดิมคําว่ายุคเงียบก็คือว่าพระเจ้านั้นไม่ตรัสผ่านผู้เผยพยระพระวจนะหรือผู้พยากรอนเดๆทั้งสิน้นหลังจากที่ปิดมารคีไปเรียบร้อยแล้วนะครับผู้เผยพระวจนะมารคีนั้นเขียนเป็นคนสุดท้ายเล่มสุดท้ายเป็นเล่มที่39ของพระกัมภีร์จากนั้นมานะครับจนกระทั่งถึงมัดถิวเนี่ยห่างกันถึง400ปี400ปีนั้นมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นหลายอย่างครับเหตุการณ์ที่สําคัญ ก็คือประมาณปีสามร้อยสามสิบสี่ก่อนคริสต์ศตกรรษอเล็กซานเดอร์มหาราชซึ่งเป็นชาวกรีกนะครับมหาหนาจ ก, กรีกนั้นได้เข้าตีและครอบครองอาณาจักรยูดาและได้นําประเพณีวัฒนธรรมภาษาเข้ามาสูอ่อาณาจักรแห่งนี้ครับอเล็กซานเดอร์นั้นไม่ได้บังคับใครให้เข้าร่วมหรือรับวัฒนธรรมกรีกแต่ว่าเขค่อยๆแทรกซึมครับและในขณะเดียวกันเมื่อเขาแทรกซึมวัฒนธรรมวิถีการดําเนินชีวิตแบบกรีก ภาษาของเขานั้นก็เป็นภาษาที่ค่อนข้างจะสละสลวยและลึกซึ้งเพราะว่าชาวกรีกนั้นเป็นนักคิดนักปราชญานักวิทยาศาสตร์และเมื่ออ ah เล็กซานเดอร์มหาราชเสด็จสวรรคตอาณาจักรตะวันออกกลางของพระองค์นั้นก็ถูกแบ่งออกมาสองส่วนครับส่วนแรกคืออาณาจักรตะวันออกซึ่งรวมไปถึงซีเรียยุครุ่งเรืองนะครับและก็อิหร่านอิรักเลบานอนพวกเนี้ยถูกรวมเข้าไปนะครับเรียกว่าอาณาจักรซีลูสิต อาณาจักรที่สองครับของอเล็กซานเดอร์ที่แตกออกมาก็เป็นอนาณาจักรวันตกครับรวมถึงอียิปต์ด้วยอาณาจักรนี้ก็เรียกว่าอาณาจักรพโชโรมีนะครับพัชโรมีอาณาจักทั้งสองนั้นก็ต่อมานะครับก็แย่งชิงเอานะครับหรือว่าต่อสู้กันครับแย่งชิงความได้เปรียบทางด้านการเมืองและเป็นที่น่าสงสารอย่างยิ่งนะครับอาณาจักรยูดาหรือแผ่นดินยูดาแผ่นดินปาเลสไตน์ก็ กลายเป็นทางเชื้อผ่านครับก็คือถูกจับให้ใกลายเป็นเบี้ยระหว่างการต่อสู้ห้าหันกันของทั้งสองอาณาจักรนี้ที่น้องครับนี่คือเบื้องหลังความทุกข์ยากลำบากของคนยิวพอคนอยิวนั้นได้มีตระกูลแม็คคาบีนะครับซึ่งสามารถที่จะนำชัยชนะอิสรภาพมาสู่คนยิวได้แม้เพียงชั่วข่าวนะครับความห้าวหาญความกล้าหาญของตระกูลแมคคาบีนี้ ทำให้พวกเขานั้นได้มีโอกาสที่จะก่อตั้างพระวิหารหรือบุรณะพระวิหารอีกครั้งหนึ่งจึงกลายมาเป็นเทศกาลที่เฉลิมฉลองพรวิหารครับพี่น้องครับเมื่อเราเข้าใจบริบทนี้แล้วก็ข้าใจความคิดของคนยิวครับว่าความคิดของคนยิวนั้นก็พยายามที่จะให้มีการนมัสการพระเจ้านะครับยกพระเจ้าเป็นใหญ่แล้วก็พยายามที่จะรักษาขนมทำเนียมประเพณี การถวายบูชาในพระวิหารที่เกิดขึ้นเพราะว่าเขาเชื่อในพระเจ้านะครับคอยคว้าวางไว้วางใจในพระเจ้าเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับว่าเทศกาลฮานุกานั้นมีความหมายสามอย่างก็คือการอุทิศ ต, ตัวเองนะครับการอทิศ ต, ตัวเองในการที่จะแสวงหาพระเจ้าการอุทิศ ต, ตัวเองในการทําตามพระทัยของพระเจ้าและการเรียนรู้ศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ทางด้านจิตวิญ ญ, ญาณก็ตาม หรือการเรียนรู้ทางด้านฝ่ายร่างกายสติปัญญาก็ตามนะครับและธนุการนั้นความหมายประการสุดท้ายก็คือการเริ่มต้นใหม่นะครับการเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งพี่น้องครับในปาฏิหาริย์แห่งแสงสว่างนะครับกลายมาเป็นตำนานที่ถูกจดจำและถ่ายทอดออกมาในสั ญ, ญลักษณ์เชิงเทียนแห่งมโนรานะครับทำให้เราได้คิดถึงองค์พระเยซูคริสต์ครับว่าพระเยซูนั้นทรงเป็นแสงสว่างนะครับ ทงเป็นความหวังใจของพวกเราทุกคนของคนที่มีความหวังใจที่ไม่ย่อท้อในความยากลําบากครับในพระธรรมยอห์นบทที่หนึ่งข้อสี่ข้อห้าบอกว่าพระเยซูทรงเป็นแหล่งชีวิตและชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์ความสว่างนั้นส่องเข้ามาในความมืดและความมืดหาได้ชนะความสว่างใหม่เพราะฉะนั้นในช่วงเทศกาลฮานุก้านะครับเป็นช่วงเวลาแห่งการอุทิศตนเพื่อเสวงหาพระเจ้าฟังเสียงและเดินตามพระองค์ นะครับขอให้เราได้ยินเสียงของพระองค์ที่พระเยซูจะบอกกับเราว่าเรานั้นเป็นลูกแกะของพระเจ้าและพระองค์พระเยซูนั้นทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ดีนะครับในวันต่อไปเราก็จะมาดูถึงผู้เลี้ยงแกะและแกะของพระองค์อาเมน